บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวในสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการปัญญาเห็นชอบที่จัดเข้าเป็นองค์อริยมรรคนั้นหมายถึงการเห็นชอบอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอันผ่านขั้นตอนมาตามลำดับสำหรับในวันนี้จะพูดถึงปัญญาเห็นชอบในทุกขะสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกขะสมุทัยนั้นท่านได้แสดงสภาวะเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข ความทุกข์ทั้งมวลที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นต้นข้าวจริงๆมาจากชาติคือความเกิดเพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆและตัวเหตุที่ให้คนเกิดมาและสัตว์ทั้งหลายเกิดมานั้นก็เพราะสมุทยัย อันได้แก่ตัณหาทั้งสามประการและเมื่อบุคคลบางเกิดมาแล้วตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลร่ำไปข้อนี้เพิงเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเมื่อก่อนคนก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแม้จะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นเข้า ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์อะไรแก่บุคคลเหล่านั้นแต่อาศัยเชื่อใจของบุคคลยังประกอบด้วยกิเลสตัณหาอยู่เมื่อได้ทราบถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเข้าใจของบุคคลก็จะเกิดกําหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อมีความกําหนดหมายมากขึ้น ปริมาณของความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและจะตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่เรื่อยๆไปต่อแต่นั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเล่าร้อนด้วยแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนได้มาไวในครอบครองของตน ต่อแต่นั้นเพราะอาศัยตันหาเป็นเหตุนั่นเองความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับทุกข์ก็จะติดตามมาภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเช่นว่าเกิดความทุกข์ในขั้นของแรงปรารถนาเกิดความทุกข์ในขั้นของการใคร่ได้ใค่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดความทุกข์เพราะการสแสวงหาสิ่งเหล่านั้น เกิดความทุกข์เพราะการได้มาแล้วก็อยู่ในครอบครองต้องอารักขาป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นอันตรายไปและเมื่อสิ่งเหล่านั้นอันตรายไปก็เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววัตถุทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสหรือเป็นผลตภัณก็ตามเป็นตัวกลางๆไม่ใช่เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ สำหรับบุคคล ท, ทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลใดก็ตามยังมีตัณหาอันเป็นตัวสมุทัยู่ความรู้สึกในลักษณะดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสมุทยัยท่านจึงจัดว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์อันหนึ่งท่านยังกล่าวว่าตัวสมุทัยนั้นเองขังสัตว์เอาไว้ ในสังสารทุกข์คือหมายความว่าสาบใดที่ยังไม่สามารถทำลายมูลเหตุแห่งความทุกข์ได้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของบุคคลและสัตว์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่สาบนั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้จัดสรูปใหม่ๆได้เปล่งพระพุทธอุทานคือคำอุทานที่เกิดขึ้นด้วยความสมนัตจินดีว่า เราเมื่อเที่ยวแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตันหาผู้ประทมซึ่งเรือนต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นอนเนกการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เรื่อยๆไปและรับสั่งเป็นทํานองเยาะเยะ้ยตันหาว่ารู้ก่อนนายช่างคือตันหาผู้ประทมซึ่งเรือนบัดนี้เราพบตัวเจ้าแล้ว เจ้าจะสร้างเรือนเกืออัตรภาพของเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างภพชาติของเจ้าเราได้ทําลายสิ้นแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นวิสังขารคือไม่มีอะไรจะปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระพุทธทานไป ในแนวของชาวโลกทั้งหลายที่ยังต้องเบียดบวยตายเกิดในสังสารวัตรด้วยอํานาจของตันหาเหล่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ได้บําเพ็ญเพียรจนรู้อริยสัจทั้ง4ประการคือตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการแล้วต่อแต่นั้นพระทัยของพระองค์ก็ไม่มีตันหาอาศัยอยู่เมื่อไม่มีตันหาการจะต้องถูกขังอยู่ในสังสารวัตร จะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็ไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เกิดมาในโลกในลักษณะต่างๆนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็าไม่มีอีกต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการยุติความทุกข์ยุติสังสารวัฏยุติการกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตัวสมุทัยนั้นคืออะไร สมุทยัยนั้นทรงแสดงไว้ว่าได้แก่ตันหาสามประการคาว่าตันหานั้นคืออาการของจิตที่ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้ในสิ่งต่างๆซึ่งใจของบุคคล น, นั้นไปกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาะน่าพอใจและสิ่งที่ใจของบุคคลใคร่ได้นั้น ให้สังเกตว่าจะไม่กิไม่อื่นไปจากสิ่ง6ประการเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่กายพึงถูกต้องและอารมณ์อย่างนั้นเวลาท่านเรียกชื่อของตัณหาในลักษณะที่กระจายออกไปท่านก็เรียกว่ารู ป, ปรตัณหาแปลว่าอาการของจิตที่ทะเยอทยานอยากได้ในสิ่งที่เป็นรูปเป็นต้น ก็เรียงเรื่อยมาเป็นหประเภทด้วยกันคือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในปุถะภาและตัณหาในอารมณ์จากนี้เรียกว่าเป็นกามตัณหาคือเกิดขึ้นเพราะใจของบุคคลไปกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจทําไมจึงพูดว่าเกิดขึ้นเพราะใจกําหนดทางนี้จะเห็นได้ว่า รูปเป็นต้นเหล่านั้นโดยตัวของรูปเองแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นตัวกลางๆแต่นั้นเองใครมีความรู้สึกต่อรูปนั้นอย่างไรก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปอย่างเดียวกันแต่ว่าคนมีความรู้สึกต่อรูปนั้นไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจบางคนอาจจะไม่เกิดความใคร่ความปรารถนาะความพอใจบางคนอาจจะเกิดเกลียดไม่ชอบหรือบางคนอาจจะเฉยๆทั้งๆที่ว่ารูปเป็นอย่างเดียวกันในรูปเป็นเดียวกันแต่อาศัยความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจไม่เหมือนกันก็แสดงออกมาต่อรูปในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่ได้กราบแล้ว ดันั้นเรื่องของตันหาจึงเป็นเรื่องของใจที่มีเชื้อของตันหาอยู่แล้วก็เกิดไปกําหนดหมายเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นโดยในลั ก, ลกษณะดังที่กล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงความเปลี่ยนแปลงทางจิตของบุคคลเอาไว้ว่าเพราะมีเชื้อคือธาตุอยู่ภายในใจเมื่อมีเชื้อคือธาตุภายในใจแล้ว ใจก็จะเกิดไปกำหนดหมายสิ่งนั้นว่าน่าใคร่น่าพอใจเมื่อเกิดกำหนดหมายมากเข้าความพอใจในสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นเมื่อความพอใจมีอยู่จิตก็จะตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นเมื่อตรึกนึกมากเข้าความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมากก็บังคับใจของบุคคลให้สาย ลักษณะาการบางับงคับใจของตันหานั้นเนื่องจากอาการได้เปลี่ยนแปลงไปท่านก็เรียกว่าชับป่าแปล ว, ว่าตันหาผู้กระซิบข้อนี้ลองสังเกตป่าเมื่อใจประกอบด้วยตันหาที่คอยกระซิปใจอยู่เช่นว่าไปซื้อของสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตันหาเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมากแล้วตันหานี้ก็จะคอยกระซิป ่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ควรจะได้มาในครอบครองเป็นต้นแล้วในที่สุดก็ต้องซื้อหาจับจ่ายเพื่อตอบสนองตัญหาที่มีอยู่แล้วก็แก่กระซิบอยู่ในขนาดนั้นบางคราวแกะกระซิบมากไปก็ทำให้ใจฟุ้งสายท่านเรียกว่าวิสัตติกาคือทำใจให้สายบางทีจะซื้อของสักอย่างหนึ่งแต่อาศัยที่มันสายมากเกินไป ตกลงใจไม่ได้เดินไปร้านแล้วร้านอีกร้านโน้นร้านนี้ก็ยังลงใจลงไปไม่ได้นี้เป็นอาการดิ้นรนอาการกระซิบและอาการสายของจิตที่ถูกตัณหาเข้ามาปรุงแต่งในขณะนั้นๆตัณหาประเภทนี้ท่านเรียกว่าเป็นกามตัณหาซึ่งแสดงลักษณะของโลภความโลภออกมาในลักษณะที่รุนแรงขึ้นกว่าปกติ คือบังคับจิตให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้จนบางครั้งก็าสายเพราะถูกตัณหาเหล่านั้นเข้ามากระสิบแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่มีเชื้อของกิเลสอยู่คือไม่มีเชื้อของตัณหาในเรื่องนี้อยู่ถึงแม้จะเห็นเป็นต้นก็จะไม่เกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาอย่างตัวอย่างที่เรารู้กันแพร่หลายก็คือเรื่องไก่แจ้กับปลอยซึ่งจะเห็นได้ว่า โดยฐานะแล้วพลอยเป็นของมีค่าแต่เนื่องจากไก่แจ้ไม่มีเชื้อความอยากหรือไม่รู้คุณค่าของพลอยนั้นแกก็เดินเลยผ่านไปแล้วไปจิกมเมล็ดเข้าเปลือกซึ่งเมื่อเทียบคุณค่ากันแล้วก็มีค่าน้อยกว่าพลอยมากแต่ว่าไก่แจ้แกรู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความอยากความพอใจในข้าเปลือกเรื่องจิตใจของคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตาม ถ้าบุคคลไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นครั้งแรกจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจตากจะมีบ้างตากจะมีก็เป็นเรื่องของโมหะคือความไม่รู้แล้วต่อมาเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยนยะที่ได้กล่าวมาแล้วตัณหาประการต่อไปก็คือภาะวะตัณหา หมายถึงอาการของจิตที่ทะเยอทะยานอยากได้ในภาวะหรือพบได้แก่ความมีความเป็นซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกนั้นเป็นความทะยานอยากในฐานะต่างๆตำแหน่งต่างๆชั้นต่างๆที่เกิดกําหนดหมายกันในปัจจุบันว่าเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอํานาจมีบริวารมากเป็นต้น เมื่อคนได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของตำแหน่งหน้าหน้าที่การงานเหล่านั้นใจก็ทะเยอทะยานอยากได้ในตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าความทะยานอยากเหล่านั้นจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นว่าอยากเป็นข้าราชการอาจจะเริ่มมาจากซีอะไรก็ได้แล้วในที่สุดก็อยากซีที่สูงสูงขึ้นไป แม้แต่ขึ้นไปถึง4ที่1 1แล้วก็ไม่มีสีจะไปแล้วก็ยังทะเยอทะยานอยากได้ในฐานะความเป็นในด้านต่างๆจนหาที่สิ้นสุดอะไรไม่ได้เลยอีประการหนึ่งนั้นเป็นอาการทะเยอทะยานอยากคือต้องการจะบังเกิดในภพในชาติที่ได้ศึกษาได้เข้าใจกันว่าพระนิจเชนว่าปรารถนาจะบังเกิดเป็นเท พ, พบุะบุเทพธิดา บังเกิดเป็นพรหมหรือบังเกิดพบศาสนาภาษีอ่านเป็นต้นความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นความเข้าใจที่หลงผิดในแง่ของธรรมะที่เป็นสัจจะเพราะยังไงก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัติคือการปรารถนาพบนันพบยจบริญนิจยังไงก็ตามก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตคือยังต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตาย ตนเองก็ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะตัวการสำคัญนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายได้เก็ตตัณหายิ่งความทะเยอทะยานอยากปรารถนาจะพบศาสนาภสีอานด้วยแล้วนอกจากจะเป็นตัณหาแล้วก็ยังเป็นความหลงเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นท่านก็ทำได้เพียงแต่บอกทางชี้ทางเสื่อมทางจเจริญให้เท่านั้น ท่านไม่สามารถที่จะนิรมิตบรรดาลให้ใครเป็นพระอริยะได้ให้ใครร่ำรวยได้แต่เป็นเรื่องที่คนแต่ละคนจะต้องประพฤติธปฏิบัติเอาเองพระสีอานก็สมมติว่าจะเกิดขึ้นก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราคือไม่มีอำนาจในการโดนบรรดาแต่ว่าเพราะความหลงติดในภพใจของคนก็ทะเยอทยานอยากได้ในภพที่ประณีตขึ้นไป และโดยเข้าใจว่าการบังเกิดในภพเช่นนั้นตนจะอยู่อย่างเป็นสุขถาวรชั่วนิรันดรเป็นต้นความปรารถนาในลักษณะนี้หรือความอยากในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากความเห็นที่ว่าชีวิตโลกเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดในประการต่อไปนั้นเรียกว่าวิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น หมายถึงว่าตนเป็นอะไรอยู่ในขณะนั้นๆก็ไม่ยินดีในฐานะที่ตนกำลังเป็นอยู่ซึ่งเป็นอาการของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาความเหนื่อยด้บางครั้งจนถึงปรารถนาที่จะแตกทาลายไปต้องการที่จะฆ่าตัวตายหรือต้องการที่จะให้ขาดสูญไปเป็นต้นความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาเห็นโทษ ในสังสารวัฏหรือเห็นโทษของกิเลสแต่เป็นอาการซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงเหตุผลต้องการจะเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งหรือตำแหน่งอย่างหนึ่งไปสู่ตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งทนั้นเองลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตาหานั้น สรงแสดงให้สังเกตอาการเอาไว้ในที่นี้ก็สามอย่างด้วยกันคือลักษณะหนึ่งเป็นโปโนภวิกาแปลว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นหาที่สิ้นสุดไม่ได้ข้อนี้ลองสังเกตว่าเช่นสมมติว่าเป็นพระอยากจะเป็นเจ้าคุณพออยากเป็นเจ้าคุณพอได้เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญไม่กี่วันก็อยากเป็นชั้นราช พอเป็นชนาษฎอีกไม่กี่วันก็อยากเป็นชั้นเทพก็อยากกันเป็นไปเรื่อยชาวบ้านก็เหมือนกันคือหมายความว่าจะก่อให้เกิดความอยากเป็นที่สืบเนื่องกันไปจากจุดนั้นบางครั้งก็เป็นการแยกออกไปคือเป็นความอยากที่แยกออกไปหรือบางครั้งก็ต่อเนื่องกันเช่นยกตัวอย่างว่าคนอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งในชั้นแรกก็ทะเยอทะยานอยากได้เฉพาะบ้านเท่านั้น พอได้เข้ามาจริงๆก็อยากได้เฟอร์นิเจอร์อยากได้เครื่องประดับอยากได้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านแล้วนานๆไปก็อยากจะเปลี่ยนโหมดทางหลังเลยในที่สุดความอยากของคนก็ไม่อาจที่จะตอบสนองได้พระบูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสภาพจิตของคนเอาไว้ว่ามีความพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จกอิ่มเพราะเป็นาธาตุของตันหา สภาพจิตของสามั ญ, ญชนจึงอยู่ในลักษณะที่ถมไม่เต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ราบใดที่ตันหายังมีจบจึงทรงอุปมาไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำนั้นจะใหญ่กว้างยาวยังไงก็ตามแต่ว่าโอกาสที่จะเต็มปริมฝั่งหรือล้นฝั่งนั้นมีได้ ส่วนจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยตันหานั้นจะไม่รู้จักคำว่าเต็มคำว่าอิ่มเลยเรื่องของตันหาจึงเป็นเรื่องที่ส อ, สอนให้บรรเทาอย่าให้จิตใ จ, จถูกท่วมทับด้วยตันหาเพราะว่าคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหานั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนทายเดียวข้อนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะอะไรก็ตามที่ถูกท่วมทับ จะขาดความเป็นตัวของตัวเองเช่นว่าท่อนไม้หรือว่าเรือที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปก็จะขาดความเป็นตัวของตัวเองกระแสน้ำพัดให้ไหลไปทางไหนไปกระทบอะไรไปโดนอะไรไปล่มไปจมลงที่ไหนก็ไม่อาจที่จะช่วยตัวเองได้จิตใจที่ประกอบด้วยตัณหาก็มีลักษณะอย่างนั้นตัณหาจะคอยกระซิบ ตันหาจะคอยบังคับให้ใายตัญหาจะกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานอยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นจนหาข้อยุติไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของกิเลสตันหาเป็นเรื่องที่นำไปสู่พบคือความเกิดในชั้นต่างๆเพราะตัญหาเป็นตัวยังชนยังสัตว์ทั้งหลายให้เกิดและการเกิดในภพชาติต่างๆนั้น อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นหี้อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของความทุกข์เพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายจากช่วงความเกิดถึงช่วงความตายนั้นศาสตร์ทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์เป็นอันมากเช่นว่าการพลัดพรากการสูญเสียความผิดหวังเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยในชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาอีกนัยยะหนึ่งนั้นทรงแสดงว่านันดิรากะสะเกต่าคือจิตจะพัวพันหมกมุ่นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินด้วยความกำหนัดแต่ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นคือเริ่มมาตั้งแต่ใจไปกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้ว ก็จะนึกเคลิอบเคลิ้มยินดีพอใจเอิบอิ่มอยู่ด้วยเรื่องเหล่านั้นแล้วในขั้นของการสแสวงหาก็จะมีความทะเยอทยานกระสิบดิ้นรนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นเวลาได้มาก็จะมีความชื่นชมยินดีที่ได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนเมื่ออารักขาเมื่อคุ้มครองเมื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่ในอำนาจการคุ้มครองของตน ก็จะเกิดความชื่นชมยินดีติดใจอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตาหาท่านอุปมาเหมือนกับยางเหนียวลักษณะของยางเหนียวนั้นคือนอกจากจะติดตัวเราเองแล้วเวลาไปจับอะไรเข้ามันก็จะติดด้วยถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจารณาแล้วในที่สุดก็จะติดหมด จะมีอาการยึดมีอาการติดจูดในสิ่งเหล่านั้นท่านท่านเล่าเป็นอุปมาหรือตัวอย่างสภาพจิตของบุคคลที่ถูกตันหาและอุปาทานเข้าไปครอบงำเอาไว้ว่ามีวานนอนตัวหนึ่งไปติดตังซึ่งเป็นยางเหนียวชนิดหนึ่งเมื่อติดตังแกก็นั่งติดจุดก่อนต่อมาแกก็ท้าไปแกะไปแกะก็ถูกที่ที่ตังนั้นอีกก็ติดอีก เอามือเข้าไปจับก็ติดมืออีกก็มีปากอยู่ก็เอาปากเข้าไปกัดก็ติดปากอีกเลยก็ดิ้นไม่หลุดนี่เป็นอาการของจิตที่ถูกครอบงามด้วยอํานาจของตันหาจะมีอาการติดอยู่ในยะนี้และโอกาสที่จะสลัดเครื่องผูกมัดคือตันหาออกไปได้นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการ ถ้านอกจากนี้แล้วบุคคลจะทำได้ด้วยการใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาปิดกั้นกระแสะแห่งตัณหากระแสะแห่งความทยานอยากไปเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะบรรเทาโอกาสที่จะละตัณหาก็มีไม่ได้เพราะโดยปกติแล้วกระแสะจิตที่ไหลไปตามอำนาจของตัณหาบุคคลจะไม่รู้ว่าเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลย เพราะตัญหาจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นมิตรสนิทสนมที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่บุคคลหลอกนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปก็จะมองเห็นโทษของตัญหาโดยระยะที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านบอกว่าจะเพลิดเพลินอย่างยิ่งอยู่ในอารมณ์หลอกนั้นหมายความว่าจะทยานอยาก หรือว่าได้มาหรือว่าครอบครองอะไรอยู่ก็ตามก็จะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเช่นได้ยศได้ตาแหน่งมาก็จะชื่นชมในยศในตาแหน่งมีการเฉลิมฉลองมีการเอิบอิ่มอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งตันหาก็ตั้งตนตั้งต้นขึ้นมาใหม่อีกหมุนเวียนกลับไปกลับมาอย่างนี้กลายเป็นวัฏจักรของชีวิตที่อยู่ในกระแสของตัหานั้นดังนั้น ท่านผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนให้พิจณามองเห็นโทษของตัณหาว่าตัณหานั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวการให้เกิดความทุกข์เป็นสิ่งที่ผูกมัดสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏและไม่ใช่มัดไปเฉยๆแต่ยังขังสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏ ด, ด้วย การที่ตกเป็นาธาตุของตันหามีแต่ความเดือดร้อนถ่ายเดียวบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จ ะ, จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจิตใจก็ต้องสยบติดอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาเหล่านั้นเมื่อเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วในขั้นหนึ่งก็อาจที่จะระงับดับตันหาที่เกิดขึ้นในจุดนั้น เช่นว่าอยากได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบังเกิดขึ้นพิจารณามองเห็นโทษของความอยากเหล่านั้นแล้วก็พยายามบรเทาความรู้สึกเอาไว้ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสของตัณหาเอาไว้ไม่ไหลมาท่วมทับจิตใจจะเห็นว่าเวลาตัณหาแกเกิดขึ้นแกไม่ได้ค่อยคิดหน้าหลังอะไรแล้วไม่ค่อยคิดถึงเหตุถึงผลอะไร ยังยกตัวอย่างเช่นการเสี่ยงการเล่นการพนันการสลากกินแบ่งหรือแม้แต่สลากคุ้มกล่าวเนะี่ยเปอร์เซ็นที่จะถูกเรียกว่าหายากเหลือเกินแต่เพราะตัณหามันแล่นเข้าไปในทางแล้วก็พัดผ่าจิตใจของบุคคลให้ไหลไปตามเรื่องหนั้นดังนั้นบุคคลจะต้องอาศัยสติซึ่งเป็นเหมือนกระทาโนปิดกั้นกระแสะแห่งตัณหานี้เอาไว้ โอกาสอันใดที่พอจะยับยัง้งพอที่จะบันเทาพอที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาคือหมายความว่าถึงแม้จะมีก็อย่าถึงกับให้เดือดร้อนมากเกินไปอย่าต้องตกเป็นธาตุของตันหาแต่สามารถใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องพินิษพิจารณาพินิจฉัยตัดตัดกระแสของตันหานั้นลงไปใช่บ้างความโปร่งเบาก็จะสบายขึ้น แต่ว่าการที่จะบรรเทาให้ได้ผลถาวรขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติในขั้นของสมถะกรรมฐานอย่างที่ปฏิบัติกันจุดนี้เพราะเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วความสงบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นก็จะกลายเป็นทมนบสกัดกัน้นกระแสแห่งตัณหาเอาไว้โดยเฉพาะในขั้นของสมาธิ คือเมื่อจิตสงบแล้วตันหาถึงแม้จะมีอยู่ก็สำแดงตัวออกมาไม่ได้เพราะในขณะนั้นจิตของบุคคลอยู่ด้วยกุศลธรรมคือสมาธิอาการที่เคยร้อร้อนกระสรับกระส่ายเพราะแรงของตันหาก็จะบรรเทาลงในศาสตรใดที่ใจยังมีสมาธิอยู่ศาสนั้นตันหาก็ทำอะไรไม่ได้ คือถึงแม้จะมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาจิตใจของบุคคลได้ซึ่งทั้งสองช่วงนี้เป็นการบรรเทาเป็นการระ ง, งับดับตัณหาได้ตามสมควรแก่กรณีนั้ น, น, นส่วนการรู้ถึงสมุทยัยตามความเป็นจริงนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นมาหลังจากบุคคลได้ปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8ประการให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วต่อแต่นั้นก็จะเกิดญาณรู้ว่าสนี้เป็นสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์สมุทัยนี้เป็นสิ่งที่ควละและตนก็ได้ละไปแล้วซึ่งเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นนี้จิตก็จะวิมุตต์หลุดพ้นจากอํานาจของตัณหาอย่างแท้จริง และเป็นความหลุดพน้นที่ไม่กำเริบอีก cool ต่อไปความหลุดพน้นโดยวิธีนี้เองเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธ ศ, ศาสนาซึ่งจะต้องอาศัยการพฯพฯปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญาไปโดยลำดับเมื่อบุคคลทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ตามอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและปราหารทั้งหลายได้ประสบมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป